ก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องศิลเมื่อกี้นิทายกทายิกาอุบาสุกอุบาสิกาได้กล่าวอารัธนาสินแต่อาราธนาสินเมื่อกี้นี่เป็นอาราธนาสินอุโบสถคืออุโบสถก็คือสิน8ปดอัฐถังคะสัมนาคะตางังอัฐถังคะไปว่า8ปดนะปัญจะไปว่าห้านะเมื่อกี้เนี่ยอัฐถังคะสมมาคะตางัง ถ้าว่ากล่าวขอสมาทานสินก็ว่าอัดทังคะแปลว่าหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าญาติโยมขอสินแปดสัขอสมาทานสินแปดเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมามาจากสังคมอบตอที่จะมารับการอบรมและมาทำบุญปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ผู้ที่จะรักษาสินห้าก็ได้นะ รักษาศีนอุโบสถก็ได้อันนี้ก็คือคือรักษาศีนมีอยู่สองคือรักษาศีนห้ากับรักษาศีนอุโบสถรักษาศีนห้าก็คือเมื่อจบศีนห้าข้อที่ห้าสุราเมระยะมัดชับประมาหลวงพ่อก็จะบอกว่าเออศีนผู้รักษาศีนห้าจบเพียงเท่านี้แล้วก็จบพอเรารักษาศีนห้าถ้าว่าผู้รักษาศีนอุโบสถก็พูดไปอีกวิการลโภชนาเวรมณี คือข้าพเจ้าจะงดเว้นจะไม่ทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปคือจะไม่กินอาหารเย็นเพางั้นเถอะงดอาหารเย็นทดลองดอูอันนี้ว่านัตเจคีตวาทิตวิตวสูกทัศนามาลาข้อที่7จ็ดกับข้อที่8ปด อ, อันว่าห้ามไม่ให้ร้องรำทำเพลงเองแล้วก็ไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงงดไปก่อนวันนี้ งดทางหูไว้ก่อนเพราะว่าหูเรามันฟังมาจนพอแรงแล้วไปที่ไหนมือตาเราจะพอปิดได้ใช่ไหมหูมันปิดไม่ได้ไปที่ไหนก็ได้ฟังเว้นเสียต่หลับถ้าหลับเราหูหลับไ ป, ไปด้วยเหมือนกันแต่แต่ถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาหูก็ได้ยิน่เพราะฉนั้นเราได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตควรจะงดซะในการได้ยินได้ฟังร้องรําทําเพลงงดไว้ก่อนวันเดียวนะแล้วกับ มาลากันทวิเล่คือไม่ทัดจงดอกไม้ของหอมไม่ตกแต่งร่างกายจนเกินไปไม่ทาลงจะตรงที่จะตรงหรือจะติบอะไรกรุปไรของหอมจนเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือศินข้อที่แปดแล้วก็อุจจารยนะ์ยามมหาสยามาไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นและสำลีถ้าเราไปนั่งยัดนุ่นและสำลีก็ผิดศินข้อข้อที่แปดนะ ไอ้ข้อที่เจดกับข้อที่แปดมันควบกันนักจะขี่กับมาลาเพราะฉะนั้นพวกเราที่มารักษาศีลอุโบสถในวันนี้ก็ให้รู้เอาไว้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้งดไม่ให้ทานอาหารเย็นเพราะพวกเราเคยทานอาหารเย็นมาแต่เด็กแต่เล็กไม่เคยงดเลยเหราะนั้นทดลองงดดูสิเป็นยังไงพระพุทธเจ้า ว, ว่างันอย่างพระสงฆ์นี่ท่านงดมาแล้วทําไม่งดเป็นยังไงทําไม่งด ถ้าไม่เคยงดว่าอาหารเย็นถ้าเรางดเพียงวันเดียวมันโมโหโทโศโกทาแอบไฟลุกเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดนะเพราะนั้นท่านว่างดไปสิใจมันเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือให้ให้ดูความกระเพิ่มของใจคือมันหิวมันเป็นยังไงให้รู้ว่ามันหิวมันเป็นยังไงให้ให้ดูงั้นอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาให้ดูใจนะและกับนัตเจคีตว่าไม่ให้ ฟังเสียงร้องรําทําเพลงแล้วไม่ไม่ร้องรําทําเพลงเองเพราะเหตุไรอันนี้ปิดหูอ่ปิดหูคล้ายๆกับว่าให้หูรู้จักเรื่องราว่าเป็นยังไงถ้าไม่ได้ฟังมันเป็นยังไงหงุดหงิดไหมถ้าหาจิตใจฟังร้องรําทําเพลงจิตใจคึกขอนองเพราะนั้นอย่าให้ใจกระเพื่อมให้ใจมันอยู่นิ่งให้ใจมันสงบถ้าหาว่าเราร้องรําทําเพลงแต่ใจมันคึกมันขนอง อ่าวกิเลสราคะมันก็จะพอกพูนขึ้นมาอันนี้ปิดทางหูมาลากันท้าวีเลคล้ายๆว่าไม่ให้ทักทรงดอกไม้ของหอมปิดจมกูกปิดจมูกก็คือไม่ให้มันมีกลิ่นหอมจนเกินไปจนทําให้กิเลสของเราอราคะในจิตในใจของเราติดในใ น, ในกลิ่นบางคะเองถ้าให้ถูกกลิ่นหอมอะไรกันนะั่นติดในกลิ่นในรส อันนี้ขอท่านกว่าอย่าไปตกแต่งจนเกินไปอพอทําความสะอาดแล้วก็เพียงพอแล้วแล้วอุจการยา์สนะมหาสยนาไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดตุ่นและสําลีคือไม่ให้อความแสวงหาความสุขในการนอนจนเกินไปคือการนอนในที่ยัดนุ่นและสําลีมันอ่อนนะมันอ่อนแล้วก็นอนผ้าหม่มอุ่นแล้วก็นอนเพราะพูใ้ใดเจ้าว่านะ่ะย่าไปติดมากอ่า เวลาถึงขาววิญญาณเมื่อตายไปแล้วน่ะเขาให้นอนหีแบแคบๆหนึ่อยู่ในโลงนะ่คิดถึงจุดนั้นบ้างะพระพูดเจ้าวหว่างกันนะเพราะนั้นให้คิดดูให้ดีอย่าไปติดในการนอนจนเกินไปเพราะว่าการนอนถงนอนดิบนอนดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็ยังมาหาเราอยู่เพราะนั้นให้สำนึกเอาไว้ตัดกิเลสในใจของเราเอาไว้สรุปแล้วก็คือสินข้อ 6, ข้อ7ข้อ8เนี่ยคือให้ เป็นการดูจิตใจของตนเองนะแต่ว่าสินข้อหนึ่งถึงข้อห้านั้นการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสังคมการไม่ฆ่ากันการไม่เบียดเบียนกันใจเขาใจเราเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาเราคงหัวเราะได้เพอเราไปฆ่าเขาเราได้เปรียบเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะ เราหัวเราออกไหมค่าพ่อค่าแม่ค่าพี่ค่าน้องค่าลูกค่าเมียค่าลูกค่าหลานเราเราหัวเราออกไหมมีแต่ร้องไห้ในเมื่อเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาเจนทําเหมือนกับเราเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์กันอทิตนาทานก็เหมือนกันข้อที่สองถ้าเราไปขโมยของเขาขโมยรถขโมยลูกของเขาอย่างเด็กนักเรียนขโมยลูกหลานของเขาเนี่ย ลูกหลานโตเด็กเล็ก ๆ, ๆเราไปขโมยของเขาพ่อแม่เขามีความรู้สึกอย่างไรเอแล้วขโมยรถของเขาขาโมยเงินคำทรัพสมบัติของเขาเอ่งัดแงขึ้นบ้านของเขาเอ่ทิ้ดคนขโมยกันเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้ามาขาโมยของเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าเราก็เสียความรู้สึกอย่างมากถ้าเขามาทำให้แก่เรา ถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็มีความรู้สึกอย่างมากเสียใจอย่างมากเมื่อเขาประสบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระตเจ้าจึงบัญญัติสิงอย่าไปกระทํากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบพรม่มเจนเป็นสุขนั้นต้องเคารพสิทธิเ์เขาเขาเคารพสิทธิ์เราอันนี้สิงข้อที่สองข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณนีในสามีพัญญาของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขา ลูกหลานของเขาเขารักสังวนห่วงเหยนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันลูกเมียของเราหลานของเราลูกของเราวงศสาคณะญาติของเราเราก็รักไม่ใช่เหรอคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์กันดีไหมอันนี้คือสิ่ข้อที่สามพระพุทธเจ้าให้เคารพสิทธิ์กันนะอย่าล่วงล้ำกันล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเหมือนกันเพราะเหตุนั้นใหยให้เคารพสิทธิ์กัน ให้ครบสิ่งกันและกันหกต่างคนก็ต่างมีออันนี้คือสิ่ข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณนีอย่าไปโกงหกเขาถ้าว่าเขาเราไปโกงหกเขาต้มตุนเขาหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราจนเงินคําทรัพย์สมบัติเสียหายปนปี้ไปหมดเดี๋ยวเอาเหล็กไหลมาหลอกเดี๋ยวเอาจุดคามมาหลอกว่าของจริงของแท้ผลในสุดจ่ายเงินไป พอเททีเราไม่ใช่ของจีงิก็ร้องห h o ร้องให้ท่านี่เสียเงินเสียทองถ้าเราไปต้มตุ๋นเขาเขาก็เสียใจถ้ามาเขามาต้มตุ๋นเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่ากโกหกกันอย่าไปต้มตุ๋นเขานะไออันนี้คือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยาแมชามาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราเดื่มสุราเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติทาให้คนเป็นบ้าทาให้สมองของเราปั่นป่วน เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้หลายอย่างทุกอย่างเพราะวันคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้านี่ยทำอะไรลงไปก็ไม่รู้เพราะตัวเองขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียได้หมดขโมยของใครได้หมดเห็นอะไรสรับยช่วยไปเอาไปได้หมดระลาบระล่วงสามีพันยาลูกหลานใครได้หมดโกหกใครได้หมดเพราะฉะนั้นสินข้อที่5เนี่ยเป็นศินคนขาดสติก็ก็รู้อยู่แล้วกินเหล้ามันต้องเมาเมาแล้วต้องขาดสติแล้วจะไปกินทําไม กินให้เพื่อเองตนเป็นบ้าใช่ไหมยอยากเป็นบ้าใช่ไหมถ้าเป็นอยากเป็นบ้าก็กินเหล้านะี่ยเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเดินตามถนนข้างถนนกินเหล้าไหมเชสโซซโซเซมันน่าดูไหมเอีตัวเองไม่ดูตัวเองไม่รู้ตัวเองหร อ, งอกแต่คนอื่นรูดูแล้วมันน่าทุเรช จ, จริงๆนะแต่ตัวเองไม่รู้นะน้ำลายพูมปากพูดไปอย่างนั้นนะภาพภามพเหมือนคนบ้าคนเมาค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีนะศีลของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อเนี่ย ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้ามีคุณค่าใหมถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วต้องยกมือท่วมหัวว่าพระพุทธเจ้าอฉลาดถาาว่าพวกเรามีศินห้าแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขขนาดไหนเพราะทุก ว, วันนี้คนขาดศินธรรมขาดสินห้ามากนั่นเองบ้านเมืองของเราจึงเดือดร้อนบุญบายไปที่ไหนก็ต้องระวงวังเพราะเหตุใดเพราะผลขาดสินธรรมถ้ามีศินธรรมมากๆเลยประเทศชาติของเราก็คงจะสงบร่มเย็นเป็นสุขนะ อันนี้ก็คือศินข้อห้านะวันนี้หลวงพ่อได้อธิบายเรื่องศินข้อหนึ่งถึงข้อแปดให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําพานําสมาทานศินไม่ใช่หลวงพ่อให้ศินนะถ้าหลวงพ่อให้ศินให้ที่ะห้าที่ละแปดที่ะห้าที่ะแปดสินสอง้ยี่สิบเจดข้อหลวงพ่อมันหมดไปนานแล้วงั้นแต่อันนี้หลวงพ่อพาสมาทานนะ ให้พวกเราสมาท า, า, านสมทานศีลแค่ว่าพวกผู้ข่าทาั้งหลายจะมาสมาทานศีลให้หลวงพ่อเป็นสักขีพยานพวกผู้ข่าจะรักษาศีล อ, อโบสดตลอดทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อเป็นผู้พานำพวกเราขว่าตามแต่อย่าไปโกหกตัวเองนะโกหกตัวเองพอรักษาศีลไปแล้วไปตบยุงตบเลนไปทำอย่างนั้นแปว่ากโกหกตัวเอง โกหกตัวเองอย้โกหกหลวงพ่ออีกมงวงพ่อเป็นผู้พานำโกหกสองชั้นเหมือนกันเถอะนะนะโมตัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิเลนะนิปูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเแล้วก็พร้อมกันวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรตอนเช้าก่อนสมาทานศีลรักษาศรรีลต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างภาวนา ต่างหาต่างคนต่างหาสงบพักผ่อนซะถือว่าเป็นวันพักผ่อนของพวกเราวันหนึ่งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนั่งภาวนาของใครของเราเป็นการพักทางร่างกายด้วยเป็นการพักทางจิตใจด้วยนะพอเราอยู่เป็นกราวาดอยู่ในบ้านเราก็ทำการทำงานไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวงั้น กลางคืนเป็นควันก็คืออะไรกลางคืนกับคุ้นคิดอยู่ในจิตในใจว่าวันพุ่งนี้เราจะทําอะไรนะพอถึงตอนกลางวันมา ก, กันนั้นแหะทําการทํางานเสื่เป็นเปลวลงงั้นเถอเพราะฉะนั้นมาอยู่วัดเนี่ยถึงจะเป็นควันก็เถอะนะอย่าให้มันเป็นเปลวลงงั้นเถอะหยุดไว้ก่อนเพียงวันเดียวมันไม่เสียหายอะไรมากหรอกถ้ามันจะเป็นเศรษฐีก็คงจะ เ, เศรษฐีก่อนหน้านี้มาแล้วนะคงจะไม่จนวันเดียวเท่านี้นะอเพราะนั้นเราอย่าไปคิดมัน เรามาอยู่วัดให้ตั้ง อ, อกตั้งใจรักษาศีลเอาอาหารเข้าสู่จิตใจแล้วก็จะไปคุยกันมากเกินไปนะไม่ใช่มาอยู่วัดมามีโอกาสมากม า, ม า, ม า, มาคุยเรื่องดูกเรื่องร้านเรื่องดุกเรื่องเองมียเรื่อง อ, อคนนั้นเรื่องคนนี่นินทากาเลกันอยู่ในวัดไม่ได้นะ อ, อตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่ติดชิ้นนินทากาเลของคนนะเป็นสถานที่สั่งสมบุญกุศล น, นะ เป็นสถานที่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่เอาคนนั่นมาวิจารณ์เอาคนนี้มาพูดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นวัดวาศาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ปร ะ, ป, ระปฏิบัติธรรมให้อยู่ในความสงบนะเรามาหาความสงบวันนี้เพราะนั้นพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานอาเภอสังคมของเราอปตทันปรัชเป็นหัวหน้า อที่พาพี่น้องประชาชนมาหลวงพ่อวานนี่แหละถูกต้องแล้วนี่ที่พามาทัศนศึกษาจะได้รู้รายเรื่องารายราวถ้าเราไปเที่ยวเตรเออไปดูที่นุ่นไปดูที่นี่มีทธทําจิตใจมันเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาวัดวาศาสนาพระสงฆ์องค์จ้าก็จะได้แนะนําอันนี้ผิดนี้อันนั้นถูกนะอันนั้นควรนะอันนี้ไม่ควรนะพวกเราก็จะได้ศึกษาในแนวหนึ่งจากนั้นเราก็จะได้นํา พระธรรมคาสั่งสอนของพระสงฆ์เอาไปปรับปรุงแก้ไขาการเป็นอยู่ของเราที่ขาดเหลือขาดตกอะไรในการเป็นอยู่ในครอบครัวของเราก็พัฒนาขึ้นเมื่อพัฒนาขึ้นแล้วก็นั่นแหละท่นี่ความสงบร่มเย็นเป็นสุป ก, ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายศินห้าพวกเรากคงจะไม่เคยได้ยินว่าสินห้ามีคุณค่ายอย่างไงมีแต่รับกันรับกันแล้วก็รับกันรับกัน เ, เพราะเข้าไปหาพระแล้วพระก็ให้สีแล้วก็รับกัน สมาทานสินกันไม่มีใครองค์ไหนอธิบายเพราะนั้นสินห้ามีคุณค่าอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงไหมให้พวกเรานําไปคิดดูนะพพุทธศาสนาสอนในคนคิดนะคือให้ใช้ปัญญาปัญญาคือความคิดนะหาเหตุและผล น, นั่นแนหะคือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านนะที่เขามาวัดหลวงพ่อหนะลวงพ่อจะพูดใน ห, หลักเหตุผลให้ฟังอ้างเหตุผลให้ฟังว่าสิ่งนี้เป็นยังไงมุมนั้นเป็นยังไงมุมนี้เป็นยังไง คือให้พวกเราคิดนะเมื่อคิดแล้วพวกเราจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเอาตัวรอดได้ควรจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาวัดหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อุ่นหนาฟ้าข้างทั้งหมดว่นสามสิเก้าท่านนะงองอ์ปตอมาจากอํเาเภอสังคมแกงไก่เนาะแกงไก่อบ้านแกงไก่อํเาเภอสังคมนะอหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบปุ่น กี่น้องเขาวัดเขาวาลูกหลานออกตนยันโยมเข้ามาวัดปาศาสนาเพื่อมาศึกษาแต่ตามไม่จริงพระพุทธศาสน า, าเป็นศาสน า, า, าดั้งเดิมของพวกเราอยู่แล้วแต่บางครั้งบางคราวพวกเราก็ลุ่มหลงหมัวเมาไปบ้างแต่หลวงพ่อก็จะมาปัดฝุ่นให้พวกเราคิดดูนะที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ่าเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ะ วันนี้กับพวกเราเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อว่าถ้าว่าใครต้องการอาหารเที่ยงก็เอาหยิบขนมขนมเอาไว้ก็มีอยู่อาหารก็พอมีเก็บเก็บเอาไว้ของที่มันจะไม่เน่าไม่เสียจากนั้นก็เอถ้ามันหิวมากเนยังค่อยไปพูดกับทางในครัวนะ่ะถ้าไม่หิวมากก็อดนะทดลองอดดูซินะพระที่ในวัดของหลวงพอ่อทั้งหมดทั้งสามสิบสี่รูปนะเอพระสามสิบสี่รูป วันนี้มาฉันเท่าไหร่มาฉันยี่สิบสามอดไปสิบเอ็ดนะวันนี้นะไม่มาฉันสิบเอ็ดรูปเนี่ยท่านให้เขียนไว้เนี่ยเพราะนั้นพระในวัดของหลวงพอ่อน่ไม่ใช่จะมาฉันทุกรูปบางทีก็ฉันสิบกว่าองค์ก็มีไม่มาฉันเอฉันมื้อเดียวแล้วท่านยังอดอีกนะเพราะนั้นพวกเรามาอดเพียงมื้อเดียวนะวันเดียวไม่ตายแน่หลวงพ่อว่านะถ้าไม่มีโรคอย่างอื่นเข้ามาแทรกนะแต่ถึงยังไงก็ตามมาอยู่วัดก็ต้องอดทนนะ่ะหลวงพ่อนี่เคยอดมาแล้ว ถึงอดถึงยี่สิบห้าวันนะอหลวงพ่อเคยอดมาแล้วแต่พระในวัดหลวงพ่อเนี่ยเคยอดมากกว่านั้นแต่ทําไมท่านยังอดท่านทดลองดูว่าเป็นยังไง เ, เวลาอดอาหารและสติของของท่านน่ะท่านภาวนาสติของท่านดีขึ้นถ้าหาว่าไม่อดอาหารมีแต่กินเต็มท้องเข้าไปเด็กตาปือนอนหลับทั้งวันแหอมันเลี้ยงไปเท่าไห ร, มไมไมนะร่มันก็เลี้ยงไม่เชื่องหรอกเลี้ยงร่างกายนะถึงพวกเราจะเลี้ยงขนาดมันก็เลี้ยงไม่เชื่องทําไมจะว่าไม่เชื่อง พอเลี้ยงเขาไปเถอะหลันมันก็ยังแก่มันก็ยังเจ็บมันก็ยังตายอีกอย่างเก่านะอันนั้นเพราะนั้นท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงร่างกายเลี้ยงพอประมาณก็พอแล้วแหละพออยู่ได้ตามอัตภาพก็เพียงพอแล้วอย่าไปกินจนเกินไปอย่าไปหาความสุขในการกินจนเกินไปอย่าไปหาความสุขในการนอนจนเกินไปการกินการนอนก็พอประมาณก็พอแล้วอันนี้คือหลักธรรมคาสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าน่ยพวกเรามาอยู่วัดกันนั่ะเรื่องหิวก็ไม่ว่ากันมันต่างคนต่างมีความรู้สึกในความหิวก็นั่นแหละพอตกตอนบ่ายกระทางในครัวก็ช่วยๆนะจะเลี้ยงน้ําปานะก็ได้ถ้าปวดอดอาหารจะมาจะมาเลี้ยงที่ใต้ถุนสลาหลวงพ่อเนี่ยก็ได้หรือจะไปเลี้ยงทางในครัวก็ได้เนี่ยจะประสานกันดูฝ่ายพระฝ่ายครูบานะอ นี่คือเลี้ยงน้ําปานะกันตอนบ่ายพอตกตอนเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งนะหลวงพ่อกับพระสงฆ์ก็จะขึ้นมาศาลาแห่งนี้ละแล้วก็จะทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะให้โอวาททีนี่หลวงพ่อให้โอวาดคือการอบรมธรรมะภาคปฏิบัติจากนั้นพวกเราก็จะได้ฟังแล้วอาจจะมีธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์กระสุดแถวแต่หลวงพ่อจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นพวกเรา เมื่อได้รับโปวาแล้วก็นั่งภาวนาจากนั้นก็พักผ่อนตามตอัธยาใสนะจากวันจากนั้นวันพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วก็ค่อยเดินทางกลับบ้านของตนเองแต่ว่าตอนกลางวันหลวงพ่อก็คงจะไม่อบรมพุ่มเพื่อเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ตอนเช้าเนี่หลวงพ่อก็จะอบรมอย่างนี้แหละให้พวกเราได้ยินได้ฟังให้พวกเราตั้งใจสมาทานศีลนะการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สร้างพวกเราอยู่ในแลอยู่ในวัดนะอย่าไปคุยกันอย่างที่ว่านะ่นะเออให้นั่งเหมือนพระประธานนะ่ะพระประธานที่นั่งอยู่ต่อหน้าของเราเนะี่ยใครไปหาหมุมไหนที่สงบแล้ก็นั่งขัดสมาธิหรือว่าจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งเหยียดขาก็ได้เอจากนั้นก็ภาวนาหลับตาซะก่อนนะให้พุโทโธพุโทโธในใจนั่นแหละมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มาดูใจนะมาวัดวาศาสนาเนะี่ย กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทคือทําใจให้พักผ่อนเหมือนนั่นแะแหมเหมือนกับเราพยายามกล่อมให้เรานอนหลับอย่างนั้นนะ่ะอันนี้พยายามกล่อมให้ใจหลับฟังนั่นแนะให้ใจนิ่งไม่ให้ใจปุ่งฟุ้งซ่านแหมถ้าคนนอนไม่หลับเป็นไปนยังไงมันกระสับกระสายมันหาความสุขไม่ได้แต่อันนี้เราเกิดมาหนึ่งเราไม่เคยเลยที่จะทําใจให้นิ่งไงทำใจให้สุขนะทําใจให้สงบนะแต่พระพุทธเจ้าท่าน บอกมาแล้วท่านเคยมาแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วท่านบอกว่าทถ้าหากว่าทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งได้นั่นละความสุขใดจะเทียบเท่าไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใจไม่มีเพราะพพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรามาครั้งนี้ก็มาฝึกหัดดูสิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทฝึกหัดให้จิตสงบให้ใจสงบเป็นยังไงแต่ว่าใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราเคยเจอมาไม่ใช่เหรอเอถ้าคิดมีเรื่องอะไรเออมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรก็แทกเข้ามาอย่างแรงๆบางทีเจ้านายตำหนิบ้างบางทีลูกหายตายจากบ้างบางทีพ่อแม่ดุด่าว่ากาวบางอันี้เราก็คิดคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดเข้าไปปรนงฟุง้งออกไปนั่นน่ะปวดหัวเลยทีนี้ทุกไหม ทุกคนก็ต้องต้องยอมว่าทุกทามันปุงฟุ้งซ่านเน่ยทุกแน่ๆ แ, แต่มันสงบมันเป็นยังไงอันนี้พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เคยสัมผัสเพราะนั้นพวกเรามาครั้งนี้นะมาดูซิทําจิตให้สงบจิตทําจิตให้นิ่งให้จิตพักผ่อนนะกายพักผ่อนเราก็เคยพักก็คือนอนหลับนะถ้าไม่ได้พักผ่อนไปยังไงถ้ากายไม่ได้พักผ่อนมันมีแต่ทําการทํางานเน่ยโง่มันทุกไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ เมื่อเราพักผ่อนก็สบายอันนี้ใจให้ใจพักผ่อนเพราะในร่างกายของเรามีอยู่สองนะกายกับใจเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาคราวนี้ก็คือมาพักผ่อนทั้งร่างกายด้วยมาพักผ่อนทางจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจังบอกอย่าไปคุยกันเนอมาถึงวัดแล้วก็เรามีเวลาน้อยมีเวลาเพียงวันเดียวเราหามุมสงบกุติหลังไหนที่มันว่างเอานั่งหันหลังให้กันก็ได้นั่งเลี่ยงกันก็ได้ไวันนร้กรรพร็พุโทโธพุโทโธพุทโธในใจอันนี้เป็นการ ทำใจให้สงบเป็นการพักผ่อนทางจิตใจนี่แหละถ้าว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้เราไปอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดถ้ามีเรื่องราวอะไรมากระทบเราก็จะวิ่งเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธดูใจมันจะนะครับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกเลย น, ะเนนะาาละเป็นบ้าได้ง่ายๆนะถ้าขาดสติสติ้อยแล้วเป็นบ้าได้ถ้าว่าคนมีสติอยู่กับตัวเองนะไม่เป็นบ้านะเพราะนั้นให้พวกเราฝึก ฝึกขัดสติให้อยู่กับตัวเองมาครั้งนี้มาอบรมมาศึกษาเพื่อจะฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเองเพราะนั้นเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจด้วยเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยอย่างที่ว่านั่นนะหลวงพ่อเคยว่ากล่าวอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยอายุ8ปดสิบแล้วก่อนผู้ฆ่าจะตายไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกตายก่อนเรามีตังเยอะแยะไม่มีใครกําหนดหรอกว่าชีวิตของใครจะมีเมื่ อ, อไหร่ เพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความเหลืองเจิงในการไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลยไม่ดีนะต้องคิดไว้คิดอดีตคิดอนาคตคิดปัจจุบันแต่ก่อนที่มันจะดีได้ออกไปจะปัจจุบันเนะี่ยเดี๋ยวเนี้ยต้องสั่งสมคุณงามความดีเมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็จะดีตามถ้าปัจจุบันไม่ดีนะ อ, อนาคตมันก็นเสียหายเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราให้ช่วยตนเองนะทางว่าพวกเราไม่ช่วยเรา ใครจะมาช่วยเราอถ้าพวกเราไม่ช่วยเราก่อนพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราต้องช่วยเราก่อนพระเจ้าจึงช่วยเราทีหลังเพราะเหตุไรในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกกรรมคือการกระทําถ้าตัวเองทํากรรมชั่วแล้วพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องไปเข้าคุกแ น, น่เพราะเหตุไรเพราะเราทํากรรมชัว่ว ถ, ถ้าเราทํากรรมดีแล้วนั่นแหละพระเจ้าจึงจะช่วยเราอันนี้ก็เหมือนกัน ให้พวกเราสังสมแต่คุณงามความดีถ้าเมื่อเราสังสมคุณงามความดีแล้วนั่นแหละคุณงามความดีผลก็จะออกมาในทางคุณงามความดีเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อ ข, อขอแนะนำให้แขกศรัทธายาดโยมเพียงเท่านี้ก่อนเอาตอนนี้ไปรับพรในะแตนี้นะอนุโมทนาให้พร